พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ที่แสดงคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์หมวดที่2เป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับการเร่งทมจิตและการเตรียมการเพื่ออนาคตมีพุทธพจน์ต่างๆในคุตกนิกายคาถาธรรมบทในโกกาลิกสูตรคุตกนิกายสุตรฏิบาตในอภินหะปัจเจเวขณะธรรมสูตรอังคุตรานิกายทศกานิบาตในอุทานสูตร ขุตกานิกายสุตานิบาตและในเขมสูตรสั่งยุตานิกายสากาทวรกมีคุณค่าในแง่เตือนให้เร่งทากิจและเตรียมการเพื่ออนาคตเมื่อนำมาประมวลกันก็จะได้ดังนี้ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาท เพ่งพินิจอยู่ย่อมประสบความสุขอันไพยบู์เพราะฉะนั้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่และไม่พึงประมาทบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสียพึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย ด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนก็ควรรีบลงมือทำในเวลาที่ควรลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นทำทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกำลังกลับเฉื่อยชาปล่อยความคิดให้จมปลักเกียดคร้านมัวซึมเศร้าอยู่ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาคนที่มีสุตะน้อย คือคนที่เรียนรู้น้อยย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เมื่อยังหนุ่มสาวพรหมจันทร์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ครั้นแก่เท่าลงก็ต้องนั่งซบสเศร้าเมื่อนกกระเรียนแก่จับหงอยอยู่กับเปลือกตมที่ไร้ปลาเมื่อยังหนุ่มสาว รมจารย์ก็ไม่บำเพ็ญรั์ก็ไม่หาเอาไว้ครั้นแก่เท่าก็ได้แต่นอนทอดถอนถึงความหลังเหมือนดังลูกศรที่เขายิงตกไปแล้วหมดพิษสงในเตสะกุณชาดกมีพุทธศาสนาสุภาษิตว่าผลประโยชน์ทั้งปวงตั้งอยู่ที่หลักสองประการคือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาสิ่งที่ได้แล้ว ในกุลสูตรอังคุตรรนิกายจะตุ ก, กันนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคกสมบัติจะดำรงอยู่ได้ยืนนานด้วยเหตุสี่สถานหรือสถานใดสถานหนึ่งกล่าวคือรู้จักสแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหาย ปฏิสังขรสิ่งที่จำรุดสุดโสมรู้จักประมาณในการกินการใช้และตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ในพันธุตินะทุกชาดกรุกเทวดาพระโพธิสัตว์เห็นว่าพระเจ้าปัญจาละเป็นผู้ประมาทเสวยราชสมบัติโดยอาธรรมจึงเข้าไปชักจูงให้พระราชาดำรงพระองค์ในทางที่ถูกต้องดังนี้ว่า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 กษัตริย์จำนวนมากมีความประมาทต้องสูญเสียประโยชน์สูญเสียรัฐแม้แต่ชาวบ้านประมาทก็สูญเสียบ้านอนาคาริษประมาทก็สูญเสียความเป็นอนาคาริษเมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาทพ่อกระซับในรัฐย่อมพินาศ ท, ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าทุกภัยของผู้ครองแผ่นดินความประมาทนี้เป็นหลักอะไรไม่ได้ ผู้ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขตโจรทั้งหลายก็กำจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสียโอรถทั้งหลายก็จะไม่มีเหลือเงินทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือเมื่อรัถูกปล้นก็จะเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่างถึงจะเป็นขัตติยราชเมื่อโภคาสมบัติย่อยยับหมดแล้วญาติมิตรสหายทั้งหลายก็ไม่นับถือในความคิดอ่าน พนช้างพลมา้าพลรถพลราบทั้งหลายที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ก็ไม่นับถือในความคิดอ่านผู้นำที่จัดการงานไม่ดีเขาด้อยความคิดอ่านสามปัญญาย่อมหมดสีสาเหมือนคราบเก่าที่งูทิ้งไปแล้วส่วนผู้นำที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดีมันขยันถูกการไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นทุกด้านเหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นำฉะนั้นพระองค์จงเสด็จเที่ยวสะดับดูความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบทครั้นได้เห็นได้สะดับแล้วจึงดำเนินราชกิจนันนันในมหาศีลวะชาดกพระโพธิสัตว์ถูกฝังไว้ในหลุมที่ป่าชา้ายังพ้นอันตรายกลับมาครองราชสมบัติได้ ครั้นตรัสว่าธรรมดาผลแห่งความเพียรของท่านผู้สมบูรณ์ได้ศีลทั้งหลายย่อมสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงทรงแปล่งอุทานว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรทอแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นในสูตรที่ห้าของอังคุตรนิกายทุ ก, กนิบาศ พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราประจักษ์คุณค่าของธรรมสองประการคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและความไม่ระย่อในการบาเพ็ญเพียรโพธิอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทความลุกโล่งโปร่งใจหรือโยค ะ, ะเกษมอย่างเยี่ยมยอดอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทมีพุทธพจน์ ในธรรมวัตถวัคกุตการนิกายคาถาธรรมบทในสมุทะวานิชชาดกและในปุจิมันทชาดกมีคุณค่าในแง่เตือนให้เร่งทากิจและเตรียมการเพื่ออนาคตเมื่อนำมาประมวลกันก็จะได้ดังนี้ภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจเพียงด้วยความมีสีและวัดด้วยความเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามากด้วยการได้สมาธิ ด้วยการอยู่วิเวกหรือแม้แต่ด้วยการประากา์ว่าเราได้สัมผัสเนคขมสุขที่พวกปุตุชนไม่เคยได้รู้จักเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงที่ระชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะคำหนึ่งภัยที่ยังไม่มาถึงในอังคุตระนิกายปัญจกานิบาตมีพระสูตรที่ชื่อว่าอนาคตสูตรอยู่สี่สูตรขอยกมาสามสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นอนาคตภัยคือภัยที่ยังไม่มาถึงห้าประการต่อไปนี้คือความชราความเจ็บไข้ความขาดแคลนคราวบ้านเมืองไม่สงบ คราวสงแตกแยกที่อาจจะเกิดมีขึ้นย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิตตัวเด็ดเดี่ยวเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยห้าประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลาย ที่มิได้อบรมพัฒนากายศีลจิตปัญญาจะเป็นอุปชาให้อุปสมบทจะเป็นอาจารย์จะเป็นผู้กล่าวอภิธรรมคถาเวทันลกักคาถาจะไม่ตั้งใจฟังพระสูตรที่เป็นตถาคตภาสิจะเป็นพระเถระผู้นำในทางย่อย่อนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตรหนักทานการไว รตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยหประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลายจะมัวหมกมุ่นติดในเรื่องจีวรดีๆอาหารดีๆที่อยู่อาศัยดีๆแล้วทาการแสวงหาผิดวินัยจะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีสิกขานาและสามนเณร จะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและสามเณรซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้ครั้นตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาโกตภัยเหล่านั้นในเวรัญชกันพระวินัยปิดกมหาวิพังปฐมภาคพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นาน และเหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่นานกับท่านพระสารีบุตรว่าแน่สารีบุตรพระผู้มีพระภาคกะกขสันทะก็ดีพระผู้มีพระภาคโกนาคมก็ดีพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็ดีไม่ขรานที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดารและสุตตะเคยยะเป็นต้นจนถึงเวทันละของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็มีมากสิกขาบท ท่านก็มัญญัดไว้แก่สาวกทั้งหลายปาติโมกท่านก็แสดงไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่ตรัสรู้ตามรับล่วงไปแล้วสาวกทั้งหลายรุ่นภายหลังซึ่งมีชื่อโคตชาติตระกูลต่างๆกันออกบวชแล้วก็ดำรงศาสนาไว้ได้ตลอดการยาวนานเปรียบเหมือนดอกไม้นาน า, นาพันธ์ที่เขาวางไว้บนแผ่นไม้ แต่เอาได้ร้อยไว้แล้วอย่างดีลมกระพือพัดมาก็พาให้กระจัดกระจายไม่ได้ทั้งนี้เพราะถูกได้ร้อยรวมกันไว้เป็นอย่างดีนี้คือเหตุปัจจัยให้ศาสนาของพระผู้มีพระภาคกัจุสันธะพระผู้มีพระภาคโกนาคมและพระผู้มีพระภาคกัสสปะดำรงอยู่ได้ยืนนานในสังคีติสูตรทีคณิกายปาติกวัค กล่าวถึงนิครนหนาตบุตรถึงแก่กรรมแล้วสาวกของนิครนหนาตบุตรแตกกันเป็นสองฝ่ายบาดหมางกันวิวาทกันด้วยเรื่องธรรมวินัยของลัทธิตนครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนําสู่ความหลุดพ้น เป็นไปเพื่อสันติเป็นคําประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทีเดียวพึงสังายนาในธรรมนั้นไม่พึงวิวาทกันอันจะช่วยให้พรหมจรรย์คือพระาศาสนายั่งยืนดํารงอยู่ตลอดกาลนานเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย ในพระวินัยปิฎกจุลวะน์มีเรื่องพระมหากรสปะเทระชปราบการทำสังขยาครั้งที่หนึ่งดังนี้ครั้งนั้นแหลท่านพระมหากรสปะกล่าวกับพิสุท์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายขอเชิญพวกเรามาสังคยาทมและวินัยกันเถิดก่อนที่อัธธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกขัดขวางอาวินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกขัดขวาง ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวินนยวาทีจะมีกำลังวินนยวาทีจะอ่อนกำลังในมหาปรินิพานสูตรทีคณิกายมหาวักกล่าวถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาแควนมคตต้องการจะปราบแควนวัชีไว้ในอำนาจจึงส่งวัสการพรามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อเล่าความนั้นให้ทรงทราบ แล้วให้วัสการพราหมณ์ฟังดูว่าพระองค์จะทรงพยากรณ์ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามท่านพระอานนท์ถึงอัปาริหานิยธรรมที่ชาววัตชีประพฤติกันว่าอานนท์ตราบใดที่เจ้าวัตชีทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองนิดตราบใดที่พวกเจ้าวชัชชียังจักพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันทากิจการหน้าที่ของชาววัชชีตราบนั้นพวกเจ้าวัชชีปรุงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองนิดตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจักพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทากิจการหน้าที่ของสงตราบนั้น ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีศรัทธามีเฮริมีโอตตะปะเป็นพหูสูตรผู้เล่าเรียนศึกษามากเป็นผู้ตั้งหน้าเพียรเป็นผู้มีสติกำกับตัวเป็นผู้มีปัญญาตราบนั้นภิกษุทั้งหลาย พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยตรงนี้มีข้อสังเกตว่าในการทาจิตท่านสอนให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแต่พุทธพจน์ชุดนี้กลับสอนว่าถ้าทากิจด้วยความไม่ประมาทก็จะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวพึงศึกษาพุทธพจน์สองแบบนี้ให้ชัดเจน จะได้เข้าใจถูกต้องและปฏิบัติไม่ผิดพลาดนอกจากนี้พึงสังเกตด้วยว่าความไม่ประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตนซึ่งเป็นกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินเคียงคู่ไปด้วยกันกับความไม่ประมาทในการทํากิจที่เป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม